ในการที่เราได้มีโอกาสศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเาเรียกว่าเราอยู่ในฐานะเป็นบริษัทของพุทธเจ้าเนภิกษุเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาของพระศาสดาตรงนี้ก็คือว่าสิ่งจาเป็นอย่างหนึ่งก็คือการรู้คุณเนี่ยนะการรู้คุณของพระศาสดาในชั้นของคำสอนท่านจะกล่าวถึงว่าพระบรมศาสดาเนี่ย ก่อนที่ท่านจะปรินิพานเนี่ยท่านตรัสพระธรรมวินัยเป็นศาสดาแล้วก็ดังได้กล่าวว่าสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติเป็นต้นนั้นจกเป็นศาสดาของเธอเป็นต้นเนี่ยนะกล่าวโดยฐานะพระธรรมชี้บ่งบอกไว้แม้พระธาตุที่เกิดจากศรีระของพระพุทธเจ้าก็จะเป็นศาสดาฉะนั้นถ้าหากว่าสังเกตว่าตอนนี้พระศาสดาจึงยังทรงดำรงอยู่โดยฐานะแห่งการที่ พระธาตุของท่านยังไม่ปรินิพานเพียงไรพระศาสดาก็จักดำรงอยู่ในาการเพียงนั้นเราทั้งหลายถ้าพิจารณาอย่างนี้ถามว่าในกรณีอย่งการจิตที่คิดจกบูชาพระพุทธเจ้านั้นน่ยถึงแม้พระศาสดาจักดำรงพระชนอยู่หรือเสด็จดับขันธะปรินิพานแต่ถ้ายิงยังอยู่ในการของพระศาสดาดำเดินไปอยู่ซึ่งพระธาตุยังทํากิตของพระศาสดาเป็นต้นเป็นไปอยู่เพียงไร ยังไม่ปรินิพานเพียงไหลชื่อว่าพระศาสดายังทรงดำรงอยู่แม้เพียงนั้นในชั้นของคำสอนที่ท่านใช้คำว่าพระเจ้านั้นทรงสร้างบารมีมาทนับอย่างย่อเนี่สี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนหมากับบ้างแปดอสงไขยิ่งด้วยแสนหมากับหรือสบหอสงไขยยิ่งด้วยแสนหากับท น, น, นับอย่างพิสดารก็คือยี่สิบสี่สิบและแปสิบ อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัรขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัตรนามากนับจะขนานาในชั้นคําสอนท่านจะใช้คําว่าประมาณ84อสงไขยเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาในสังสารวัตรที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้เกิดในช่วงระหว่างของไม่ได้จังหวะไม่ได้ระหว่างของพระสาวกอารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าพระประเจกพระพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในประมาณเหล่านั้นเลยแต่มาในยุคปัจจุบันนี้เราได้ขณะนั้นแล้วท่านว่าเราได้ขณะคือเรามาประชุมกระแสชีวิตของเราอยู่ในระหว่างการอุบัติเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วซึ่งก็อยู่ในการที่พระศาสดายังทรงดำรงอยู่ในฐานะแห่งพระธรรมกำลังดำเนินไปอยู่ด้วยชีวิตของเราก็มาได้ระหว่างนี้ด้วยระหว่างที่ศาสนาของพระชินเจ้านี่ยังดาเนินไปอยู่ด้วย และเราก็พ้นจากขณะทั้งแปดซึ่งเป็นขณนะที่ไม่ใช่สมัยเช่นขณนะในการไปเกิดเป็นสัตว์นรกเราก็พ้นแล้วไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเป็นต้นเราก็ไม่ได้หยุดเราก็ไม่ได้ไประชุมขณะเหล่านั้นหรือมาเป็นมนุษย์เราก็ไม่ใช่บ้าบายบอดหนวกหรือพิกลพิการใดๆแต่มาเป็นมนุษย์เราก็ไม่ใช่เป็นวิชาทิฐิอย่างแรงกล้าดังกล่าวและเราได้มีโอกาสมาศึกษาพระธรรมคําสอนของพระศาสดาด้วย แล้วก็เป็นผู้มีศรัทธาตั้งมั่นได้พอสมควรด้วยท่านถึงบอกว่าเป็นการที่เหมาะสมแล้วที่เราท่านทั้งหลายควรจะระดมความเพียรได้แล้วระดมศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาเนี่ยให้ต่อเนื่องได้แล้วเพราะขณะเช่นนี้เนี่ยหาไม่ได้อีกแล้วหาไม่ได้อีกแล้วแล้วเมื่อไหร่ที่จะมีการประชุมขณะเช่นนี้อีก อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรคิดควรพิจารณากันถามว่าเมื่อไหร่น้อกระแสะชีวิตของเราที่มันหมุนไปในสังสารวัฏยังหาเบื้องต้นและที่สุดไม่พบเนี่ยเมื่อไหร่มันจะได้ขณะจะได้โอกาสอย่างนี้สักทีหนึ่งซึ่งนานนักหนาแล้วในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยประชาสัฐ ท, ที่พากันพ้นจากวัตทุกข์มากนับที่จะคณน า, นา ที่พระบรมศาสดารงส่งไม้ผัดต่อกันมาตามลำดับเนี่ยแต่เราไม่ได้ประชุมในระหว่างสักทีเลยแต่ขณะนี้ได้แล้วจะไปเอาขนาดไหนถ้าไม่ระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งแล้วแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ขณะเช่นนี้อีกท่านให้เตือนตัวเองอย่างนี้และเมื่อไหร่มันจะได้ขณะเช่นนี้อีก มักสักมักเรายังไม่ถึงผลแม้จากหนึ่งผลเราก็ยังไม่ได้บรรลุพระนิพพานเราก็ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเลยซึ่งนิพพานของพระโสดาบันเป็นต้นฉะนั้นท่านถึงบอกว่าเป็นการที่เหมาะแล้วที่เราท่านทั้งหลายควรจะระดมความเพียรระดมความเพียรเป็นชื่อของการระดมทานศีลภาวนาได้แล้วควรจะไม่อะไรกายและชีวิต ตั้งจิตในการที่จะพ่อพูนในการที่จะเดินเข้าสู่คําสอนโดยไม่ตัดความวิตกกังวลอย่างอื่นออกเสียทีนี้ตอนนั่งรถมาเราก็ใช้คำว่าว่ากามเนี่ยวัตถู ก, กามกิเลสกามทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยตลอดทั้งสีเสียงกินรสสัมผัสและทำอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นกามเนี่ยเนยืเป็นสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายต้องโหยหาแย่งชิงกันเนี่ยหนึ่ง มันเป็นถ้ามองดูแล้วมันทุกสามการนะหนึ่งการแสวงหาก็เป็นทุกสองได้มาก็เป็นทุกสามกามนั้นแปลไปมันก็เป็นทุกเห็นไหมมันทุกสามการนะ่ะดิ้นรนกันมาเราดิ้นรนในการที่จะกระเสือกกระสนในการที่จะหากามทั้งหลายหาทรัพย์ทั้งหลายเป็นทุกมากก่อนเราจะมีความรู้ก่อนเราจะมีทรพัพย์ก่อนเราจะมีฐานะอะไรก็แล้วแต่เนี่ย แต่พอเราได้มาแล้วมันตอนนี้ต้องรักษาแล้วกามบางอย่างมันก็แปลเปลี่ยนไปหมดแล้วนะเข้าก็หมดเอาอะไรไม่ได้เลยสรุปแล้วมันทุกสามการท่านให้เห็นโทษอย่างเงี้ยถึงจะน้อมออกจากมันได้สมควรแก่เวลาเนี่ย <c oughs> เป็นงั้นไม่ยอมบอว่าทุกสามการไหมสแสวงหาเป็นทุกไหมรักษาเป็นทุกไหมมันแปลไปเป็นทุกไหมเนี่ย <c oughs> มันเปลี่ยนแล้วเป็นทุกตอนนี้มันเปลี่ยนหมดแล้วนันเนี่ย